Look, n a n a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 สมาธิ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 เรียนก็ทําได้เพียงเรานั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งพับเทียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้ที่สุดนอนก็ทําได้เราพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวมีจังหวะท่าทีทำข้อมือลงให้รู้สึกตัวแต่ไม่ใช่ว่ารู้พลิกมือข้อมือไม่ใช่รู้จังนะเพียงเอารู้น้อย ว่าเราพลิกมือขึ้นรู้มันไหวขึ้นไปข้อมือลงมันรู้ไหวขึ้นไปให้มันรู้เหมือนพลิกตารู้เหมือนหายใจเราพลิกตาเราหายใจมันเป็นอย่างนี้ ต, ตลอดมาเราไม่เคยรู้มันและการเคลื่อนการไหวของภายนอกนี่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่อย่างนั้นเราไม่เคยรู้ดังนั้นจีว่าปรับมาศึกษา ที่ตัวจริงของมันเป็นธรรมชาติศึกษาธรรมะกับธรรมชาติของมันจริงๆจึ ง, จงมีวิธีทำมีวิธีสร้างจังหวะขึ้นทิกมือขึ้นรู้สึกตัวยกมือขึ้นรู้สึกตัวเอามือขึ้นเข้ามาหาสะดือของเรารู้สึกตัวเลื่อนมือขึ้นที่สะดือมาละที่หนอกรู้สึกตัว แล้ว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 สวรรค์กับนรกมันอยู่ในตระกุลเดียวกันเขาเรียกว่าโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมก็ได้สวรรค์วิถีก็ได้แล้วแต่จะสมมุติพูดขึ้นมาให้มันรู้เรื่องกันนันเอง hablado de hacer มียูนดังนั้น นั่นแหละท่านดีว่าสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีแต่เราต้องเป็นนั้นให้มันสงบอันนั้นมันกะดีแต่มันไม่เข้าใจความไม่เข้าใจนั่นแหละท่านหลับ คนนักเรียนนักศึกษาเรียนมากมาก ทั้งหมดไม่เอาอะไรกลับคืนเลยพระองค์ก็จับถาดหรือขันอันนั้นแหละลงไปมมริมแม่น้ำแล้วไปนั่งอธิษฐานว่าถ้าข้าพระเจ้าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสตายขายกิเลสดุเอาชนะทุกได้วางถาดหรือขันใบนี้แหละลงบนผิว น, น้ํานี่ให้ถาดหรือขันใบนี้แหละ ทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้าโน้นในทางตรงกันข้ามถ้าหากยังไม่ได้ตัดสรู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าขากิเลสไม่ตายขาดกิเลสไม่หลุดเอาะนัททุกข์ไปได้วางทานและขันใบนี้ลงไปบนผิวน้นํานี้ให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำไว้อย่างนันอดีพูดธเ ดังนั้นคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้การพูดนั้นดีแล้วพูดร้อยคําพันคำหมืน่นคําแสนคําล้านคําก็ตามสู้การกระทําครั้งเดียวไม่ได้การกระทํานั้นทําอย่างไรทำให้รู้สึกตัวตื่นตัวทาให้รู้สึกใจตื่นใจคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าอย่าหลงตนอย่าลืมตัวอย่าหลงกาย อย่าลืมใจในีท่านสอนเอาไว้แต่เรามันหลงตนลืมตัวโลกายลืมใจไม่รู้เท่าทันของขมคิดมันเป็นคนเป็นไขขมคิดนี้คนมูราณท่านาจึงสอนเอาไว้ว่าวามคิดคนนี้เมื่อกับลีงทันวั 那么有另另外。 I <laughs> don't นิเปียบอุปมาหลายอย่างที่นํามาเล่าให้ฟังหลายครั้งหลายคนสมมุติเอาอย่างดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์หรือตาเวนเราสมมุติขึ้นให้หมดบางคนว่าตาเวนบทลูกวฟ้าบทดวงอาทิตย์บทตร น, นี่เราว่าอย่างนั้เธอควรจริงตาเวนไม่บทดวงอาทิตย์ไม่บท เมื่อบ้านเราเมื่อเมฆมันลอยไปตามลมมันก็เป็นฝั่งองดวงอาทิตย์นัเติมดวงอาทิตย์ดาวฤกษแต่มันทําความสว่างมันเป็นดวงแต่เมื่อมีอะไรไปปกคลุมมันไว้มันก็เลยทําความสว่างอยู่ไกลๆแต่มันทําออกไปไกลๆอันตัวปกติของเรามันก็ทําหน้าที่ของมันอยู่อย่างแต่คนไม่เคยรู้ไม่เคยดูไม่เคยเห็น ไม่เคยเข้าใจปกติอันนี้ เ, ออเมื่อไม่เข้าใจปกติอันนี้คน เ, เ, เลยไปหาธรรมะกาหาธรรมะคนเลยว่าธรรมะคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยแสดงว่าศึกษาธรรมะไม่เข้าหลักไม่ว่าคนอื่นเละตัวเองก็เคยทำอย่างนั้นแต่ว่ามันศึกษาไม่ถูกไม่ตรงดังนั้นการเลือกาหาครูบาอาจารย์นั้นต้องเลือกหา ครูบาอาจารย์ผู้สอนของจริงคนมีดีแล้วเอามาพูดให้เราฟังเอาของดีนั่นแหละมีในตัวคนนั่นแหละมาพูดให้คนฟังดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเรารู้จิตรู้ใจรู้ทีตของเราจริงๆแลนะยกมือไหว้ตัวเองก็ยังได้เพราะเราไม่นึกไม่ฝันว่าเรามี ร้อยครั้งพันหนสู้ยกมือไหว้ตัวเองข้งเดียวไม่ได้เนี่มันเป็นทำไมที่มันมีค่ามีคุณมากยกไหว้ยกมือไหว้ตัวเองนี่เมื่อไหว้ตัวเองแล้วเอาไปการไหว้คนอื่นได้เพราะเราทำดีเราพูดดีเราคิดดีคนอื่น ดังนั้นคนใดยกมือไหว้ตัวเองนะนั่นแหละที่ว่าเป็นคนดีไม่ใช่ว่ายกมือไหว้คนอื่นเราเห็นตัวเรากําลังยกมือไหว้เราเห็นจิตเห็นใจกาลังอ่อนน้อมท้อมตนยกมือไหว้คนนั้นคนนี้อันนั้นแหละท่านว่าเป็นคนดีอันนี้เราไม่เคยเห็นจิตเห็น อยาไปทำร้ายเขาก็มีนะเป็นอย่างนั้นอันนี้แสดงว่ามันมีการขัดแย้งอยในตัวมันเองเมื่อมันมีการขัดแย้งอยในตัวมันเองก็มีควมสับสนวุ่นวายเมื่อมีควมสับสนวุ่นวายปัญหาก็เกิดขึ้นที่ตรงนั้นจึงคนมันไม่รู้จักหน้าที่ของคนดังนั้นคนเราต้องศึกษาให้รู้จักอวมเป็นคนให้รู้จัก หน้าที่ของคนให้รู้จักปฏิบัติหน้าที่ของคนเมื่อไม่รู้จักหัวเป็นคนไม่รู้จักหน้าที่ของคนไม่รู้จัก